พลังพุทธะไม่ได้หายสาบสูญไปจากโลกนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนใครๆเรียนพุทธประวัติแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ประเทศอินเดียเวลานี้พระองค์ปรินิพานไปนานแล้วเราจะไปยึดเอาพระองค์ที่ไหนเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราเคยกล่าวคาบูชาพระพุทธองค์ว่า ข้าพเจ้าขอบูชาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วแต่ยังปรากฏอยู่โดยพระคุณอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้คุณความเป็นพุทธไม่ได้หายสาบสูญไปจากโลกและเป็นคุ ณ, ณธรรมที่ทุกคนสามารถที่จะสร้างขึ้นให้มีในจิตในใจของตนเองได้โดยที่เรามายึดมั่นในพระคุณของพระองค์ดังที่กล่าวมาแล้ว อย่างน้อยเราก็มีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธองค์อย่างมั่นคงมีความรักในพระพุทธองค์อย่างมั่นคงมีศรัทธาไม่คลอนแคลน